ปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี <S 2> <S 2> หมวดที่สาภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัย และระงับดีคือ 1. โจก่อนแล้วจึงลง 2. ให้าจาเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 3. ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงพิษุทั้งหลายปฏิสารนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี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 ปฏิสารณิยกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่7ภิกษุทั้งหลายปฏิสารณิยกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี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 ปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมที่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมที่ชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่สิบเอ็พิุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี คือ 1. ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยชอบธรรม 3. สงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี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 พิษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีธรรมะกรรมมทวาทสกะในปฏิสารณียกรรมจบ